บุกทูสามสิบอุตรอตอุตะอัิที่ร้านอาหารสองรสตอรันชิมเมรรตอรัชีอข อ, อน้ำแอปเปิลครับ วสลิสสเวนิทูเอสอขอน้ามะนาวครับลิโมนัอลิโมนอขอน้ามะเขือเทศครับโอเมดอิอโมริสสวนิท ผมขอวายแดงหนึ่งแก้วครับผมขอวายขาวหนึ่งแก้วครั บ, ผ ม, รบผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ เอ็อเอเีอร์ทบอตลแชมเปนหรืดาวเลวดีคุณชอบปลาไหมครับกิควาสเทวซีกิควาสเทวซคุณชอบเนื้อวัวไหมครับกิควาสซร์กวาสซคอนลิสคอร์ซี คุณชอบเนื้อหมูไหมครับกควาร์สฮอริอร์ตซีกคร์สผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ m มมินดารา ม, รรมีฮอ ร, ร์ซิ ส, สกาเชเมมผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด m มมบสนอ แมมินดาโพสตเนโอลิสเอร์จีผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทําไม่นานแมมินดารามรัตสตราพัทมซัตเดปะแมมินดารามรัตสตราพัทมซัตเดบะคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับปรินจิตกเนบอตปรินจิตกเนบอต คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครั บ, รบคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับรสชาติไม่อร่อย <S อ, อ, อ s อาหารเย็นชื่อดเกร์จิวียเกร์จิวียผมไม่ได้สั่งจานนี้สอารเชมิเกตเฮาส์สอารเชมิเกตเฮาสารุณาไปที่ w w w. b o o k t o de